หลวงปู่แว่นเล่าเรื่องเปรตริมๆ ที่จะสะบั้นสายญาณแห่งกิเลสจนกว่า ก็ให้ถามเปลดดูสิว่าให้ถามเปลทดูซิว่าชาติก่อน หน้าถ้ำนี้เป็นสถานที่ร่มสงบสงัดเหมาะสมที่จะเจริญภาวนาอย่างยิ่งภายในถ้ำสะอาดสะอ้านด้านนอกปากถ้ำเป็นพื้นที่ราบเรียบพอที่จะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้ครั้นถึงเวลาเย็นเมื่อทำวัตรสวดมนต์แล้วได้รับผลตามประสงค์ไม่มีอุปสรรคตราบกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น คืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สองก็ไม่มีสิ่งปกติผ่าน 2 3 รูปเงาของเปลดจึงเริ่มปรากฏขึ้นเงาของเปรตจึง ปรารถนาจะให้พลังแห่งความเมตตาและอันตรธานหายไปหลายคืนต่อมาปรากฏว่า จนเรตตนเดิมมาแสดงร่างไร้ให้หลงปุแวนเห็นทุกคืนในลักษณะเหมือนคืนแรก คือมายืนทรังงานเงี้ยบงั้นด้วยร่างอันสูงใหญ่ทDB ประหนึ่งต้องการคมควันให้พระธุดงกรรมธานเกิดความหวาดกรัวถ้าว่าหลงปุแวนมีจติที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมฉะนั้นท่านจึงตัดขาดไปจากความพรั่นพ กระทั่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งเปรตมาปรากฏร่างให้หลวงปู่ ซึ่งมีเดิมพันมาใช้จ่าย ครั้งอัยุม่ามีอาการ เปรตตอบว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ หลวงปู่ตนเองก็จะมีโอกาสไปเกิดใหม่ตามกระแสกรรมของตนได้เทศนาชี้ทาง จะมีผู้อื่นมาแย่งถ้ำนี้ไปเปรตย่อมแสดงตัวให้ผู้พบ หรืออาจถึงมรณภาพอาจถึงมรณภาพบาปเวรก็ เมื่อเจริญภาวนาครบกําหนดตาม